วันที่หนึ่งพจิกายนต์พุทธศักราช2อ5ร้อยห้าสหเป็นช่วงกระถินหนึ่งเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วออกพรรษาวันที่สิบเก้าออกพรรษาสิบกว่าวันช่วงนี้เป็นช่วง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 อย่างวัดของเราถ้าเราก็งเองเงินแต่ไหนแต่ไรมามีเท่าไรก็เท่านั้นแบกเท่าที่จะแบกได้รับเท่าที่จะรับได้ว่าที่เขามาช่วยเอามา ม, มาช่วยก็ไม่เป็นไรผมจะได้จบไปไง่ายๆเหมือนกันถ้าไม่มากใครไม่มามากก็ยิ่งจบง่ายแต่คนมามากเออจบยากหน่อยแต่ที่ังไงใครมาก็ต้องช่วยตนเอง ต้องพึ่งตนเองต้องปกป้องหมู่พกเพื่อนที่มาด้วยกันดูแลกันเองอจะตําหนิวัดของเราทีเดียวก็ไม่ได้แต่บางคนก็ตําหนินะตําหนิวัดของเราพอมาถึงแล้วก็ญาติโกโหวติกาไม่ได้พักพาอาศัยเท่าที่จะพักได้จะพักได้ยังไง กุติของเราก็จำกัดถ้าใครจะโกรธโมโหกก็สุดแท้จะช่วยไม่ได้พูดง่ายง่ายเพราะเหตุไรเพราะวัดวาศาสนาหลวงพ่อเองอยู่ในฐานะหลวงพ่อใครมาก็จะไปเฉกคาถาเป่าฝุตเป็นอาคารขึ้นมาให้คนนี้พักคนมานมาเป่าเสกคาถาเป่าฟุตให้คนนั้นพัก หลวงพ่อไม่ใช่พระเรวะตะพระเลวต ะ, ะ, วตะท่านมีอภินิหานท่านมีฤทธิ์เน่พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์จะไปเยี่ยมท่านอยู่ในป่าท่านเป็นสมณะ น, น, น้อยอายุเจ็ดปีเป็นน้องชายภาษาลิบุตรบวชมาแล้วก็ดูดกลัวแม่กลัวพี่น้องจะตามท่านก็เลยหนีไปอยู่ในป่าขอลาพระสงฆ์ไป พอออกพรรษาภาษาลิบุตรกับเข้าไปกราบลาพระพุทธเจ้าจะไปเยี่ยมน้องชายอายุเจ็ดขวบอยู่ในป่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าเออถ้าสาเร็บุตรไปเราก็จะไปด้วยนีไปเยี่ยมเเลวตะสัมมาเนนจากนั้นพระองค์ก็ไปเมื่อพระองค์ไปพระกระต o n ห้าร้อยองค์ตามเสด็จภาษาริบุตรก็พระ ลูกน้องบริวารของท่านอีกพอไปถึงทางสองแพ่งพระอานนท์ก็กรกาบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทางจะไปทางไหนพระเจ้าค่ะจะไปทางตรงหรือจะไปทางอ้อมถ้าทางอ้อมโค้งกว่ากันเป็นร้อยร้อยกว่ากิโลแต่ไปทางตรงเนี่ย จะรัดจะเวลาน้อยพระพุทธองค์ถามพระอ น, นุ์ว่าพระศิวลีมากับพวกเราไหมเนี่ยพระอ น, นุ์บอกว่ามามาพระเจ้าค่ะเออเอาถ้ามาไปทางตรงเลยแต่พระสิวลีมาด้วยให้ไปทางตรงเลยคือไปทางออบเนี่ยเป็นบ้านคนเป็นอยู่เป็นระยะระยะเป็นที่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 เป็นผู้นำทางไปทางตรงพอไปจอดลงที่ใดภุมมะเทวดาลุกขะเทวดาอากาศเจเทธเทพดาอากาศเทพพาท า, าเทพพยดาในถิ่นละแวกนั้นพอพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วพระสิวเีฟที่เป็นครูบาของเรามาแล้วพวกเรามาใส่บาตรนะ้ว ถ้าใครไม่ใส่บาตรแปลว่าพกบกพ่องต่อหน้าที่นะเทวดาเตือนกันจากนั้นพงศเด็จประทับอยู่ที่ไหนเทวดากมมาใส่บาตรพระศิวลีเออสิวลีไปที่ไหนแปลว่าเขาว่าอดอยากะไม่มีเรื่องอาหารการบริโภคเพราะท่านปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้แล้วเขาจะเป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลายในอาติเลกาลาบ พระท่านพระศิวะเลยไปน่าสถานที่ใดรวยเหมือนกับหลวงตามหาบัวท่านไปที่ไหนมีแต่คนถอยจตุปัจัยท่านเนี่ยพวกเราเห็นไหมเนี่ก็เหมือนกันนะพระศิวะเลยท่านกับไประยะทางที่ไปนั่นะพอตอนเช้ามาเทวดามาใส่บาดแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้อันนี้คือเทวดาเหมือนกับมนุษยธรรมาดาเนี่ยแต่ว่าเป็นเทพเจ้า เหล่าเทวาที่มาใส่บาตรจะรู้ได้แต่คือผู้มีอิทธิฤทธิเป็นพระอาหารหันนั้นจะรู้ได้ว่านี่คือเทวดาการนอกจากนั้นเราก็เหมือนกับมนุษย์มาใส่บารธรรมดาจนเดินไปถึงที่พักของพระเรวตะสมมาเนน้อยสัมมาเนน้อยเรวตะนี่ยก็เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จมา เลวตาก็พระกี่องค์พระห้าร้อยกว่านะกนีลมิตรศาลาขึ้นมานิลมิตรที่พักพาอาศัยทิลมิตรกุติเต็มไปหมดในป่านะให้ครอบทุกหลังอยู่แบบสบายนะอิทธิฤทธิ์ของเลวะตะนะสัมมาเนรพระทธองค์ก็เข้าไปประทับอย่างพระสงฆ์หลายเข้าไปพัก มีหลวงตาแก่สององค์มาคุยกันทนะ่นโอ้ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเอาอกเอาใจภาษาเลยบุตรเฉยเห็นไหมมาอยู่เพียงไม่กี่เดือนสามสี่เดือนมาสร้างอาคารสร้างศาลาสร้างที่พักพาอาศัยจะเอาเวลาไหนไปภาวนาเห็นไหมภาษนะาเลยบุตรนะมาเยี่ยมน้องชาย พระพุทธองค์ก็อเอาใจภาษาลิบุตรก็มาด้วยกันแต่สัมมาณนะีเรวาตาเนี่ยนะดูใช่มาอยู่ในปานะ่าเนี่ยอยู่ถึงสามสี่เดือนสร้างลูหลัาขนาดนี้จะเอาเวลาไหนภาวน า, นะอาสองขัวาตาถกเถียงกันว่างั้นเเพราะว่าไม่รู้ความอิทธิฤทธิน์น่คืออะไรนะปุตชนก็มีได้ ไปที่ไหนมันชนดะไปเรื่อยอย่างงั้นล่ะอ๋อปุตุชนมันชนดะไปเรื่อยทีนี้ก็เมื่อพระองค์พักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วก็เออเอาเลวตะสัมมาเณ น, เนะเราจะได้ลาแล้วนะที่นี้นะครับผมพระเลวตะก็สัมมาเนนก็ไปส่งตามส่งพระพุทธเจ้าตามส่งพระพี่ชายพระสารีบุตรพระสงฆ์หลายก็ออกมาทั้งหมด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 พรองค์ประทับแล้วก็พร้อมพระสงฆ์เสนาสนะพระสงฆ์ที่อยู่ของพระสงฆ์นะเข้าไปแล้วไม่มีเลเดินเข้าไปมุดไปไปมุดป่าเอ๊ะไม่ต้นไม้ตัว น, นี้นานที่เราเห็นไอ้ต้นไม้ตัว น, นี้นานที่เราเห็น่มุดไปมุดมาเราไปเห็นแต่ของกลองน้ำํำทำมกรอกแล้วก็ของใช้ตัวเองห้อยอยู่ในกิ่งไม้พอเห็นห้อยในกิ่งไม้ก็เลยเอาทำรรมกรกอกเอาของกรองน้ํำไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินอ้าว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 สมเป็นผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่จริงๆเห็นแล้วโอ้น่าปลื้มใจน้าพักผาใสจริงๆที่พักของพระเลวะตะสมณเณรเลวะตะพอจากมันมาขัวตาสองขัวตาเนี่เข้าไปถึงนางวิสาขาก็ะไำ่ง่ายพระคุณพระท่านมาจากไหนสององค์เนี่ยมาจากนู่นแล้วมาจากตามเสด็จไปพัก เยี่ยมพระเลวตาน้องชายภาษาลิบุตรที่ท่านอยู่ในป่าปรพระพุองค์พรอ้อมกับพระสงฆ์เสด็จไปแล้วก็ได้ตามสเสด็จไปท่านไปไปไงท่านท่านไปเห็นที่พักของพระสมณเน็นเลวตาแล้วเขาว่าสวยงามหรูหราใจไหมโอ้ชมีแต่ป่าดวงพงไพ่นี่เอออาตมา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 พระสงฆ์สองกลุ่มเนี่ยทำไมพูดไม่เหมือนกันไปด้วยกันแท้ๆหนละัจากนั้นนางวิสาขาเลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จึงได้รู้ว่าเนี่ยพระเลวตะเป็นพระอารหันท่านนิลมิตรต้อนรับพระพุทธเจ้าต้อนรับพระสงฆ์ที่เข้าไปเยี่ยมท่านอยู่แบบนิลมิตรที่พักพาใส่สมบูรณ์บริบูรณ์